จะได้ความรู้ด้วยแล้ตอบเฉพาะคนก็รู้เฉพาะคนตอบออกไปทั้งนี้คนก็จะได้รู้หากคนได้รู้แล้วก็จะไม่ได้มาถามอย่างนี้อีกไม่งั้นถ้าตอบเฉพาะคนนี้คนอื่นมา ก, ก็จะถามอย่างนี้อีกแล้วเพียรตอบอย่างนี้อีกก็เลยต้องตอบไปทางนี้หามีคําถามแบบเดียวกันมาในครั้งต่อไปก็จะไล่มาดู ไลท์ like, ตัวนี้ที่จะตอบเนี่ยคำถามจากการทีลามนวิไลถามว่ากาบนักศการพระอาจารย์ยมขอสอบถามว่าระหว่างคนสองบุคลิกกับผู้ที่ถูกแฝงเหมือนหรื อ, ห ร, อหรือต่างกันอย่างไรและคนจิตอ่อนจิตแข็งเกิดจากอะไรคนจิตอ่อนจะทำให้จิตแข็งได้อย่างไรค สมัยพุทธกาลที่กล่าวว่ามีหน้าแปลงมาบวชและในพุทธศาสนายังมีอมนุษย์ใช้แฝงกายมนุษย์มาฟังธรรมยังมีอยู่ไหมเป็นการผิดหรือถูกบุกคคลสองบุคลิกอาจจะเป็นลักษณะเขาเรียกทั่วนี้เขาเรียกว่าไบโพลาร์หรือเปล่าสองบุคลิกรู้จากไบโพลาร์ไหมสองขั้วนะ ดีก็ดีไล่ก็ไอะไรประเภทนี้นะสองขั้วนะ่ไหประเภทนั้นหรือเปล่าอันนั้นบุคคลสองบุคลิกกับบุคคลที่ถูกแฝงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรการถูกแฝงแฝงหมายถึงว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือจากความเป็นมนุษย์นะบางสิ่งบางอย่างนั้นอยู่ในรูปแบบของวิญญาณ วิญญาณในความหมายนี้คือวิญญาณที่ชาวโลกทั้งหลายเ ข, าเข้าใจกันคือสภาพความเป็นอยู่ของดวงจิตที่ละออกจากกายแล้วไม่ได้มีอยู่ในภาวะแห่งกายมนุษย์ไปอยู่ในภพภูมิของผีบ้างเปรตบ้างอสุรกายบ้างอะไรพวกนี้ในความหมายก็คือว่าแฝงคือพูดถึงดวงจิตเหล่านั้นที่ไม่มีร่างกายของมนุษย์มาแฝงอยู่ในกายมนุษย์ นั่นคือเรียกว่าแฝงแตกต่างกับบุคคลผู้เป็นสองบุคลิกนี้อย่างไรนะจากคำถามที่ถามมาบุคคลผู้ถูกแฝงกับบุคคลสองบุคลิกที่เรียกว่าไบโพล่าไบโพล่าที่เรียกว่าสองขั้วเนี่ยอารมณ์สองขั้วเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า ไบโพลาร์นั้นเป็นโรค ท, ทางการแพทย์ใช่ไหมสองขั้วฮนะอารมณ์สองขั้วเป็นโรคและเชื่อมโยงเข้าไปสู่สุขเ้าเรียกว่าสุขภาพจิตไม่ปกติประเภทนั้นแต่แฝงนี้คนผู้ถูกแฝงบางทีสุขภาพจิตปกติกายปกติแต่ดวงจิตที่มาแฝงมีกำลังควบคุมคนให้เป็นไปตามจิตของตัวเอง ที่ต้องการอันนี้คือความต่างคนที่เป็นซองบุคลิกต้องรักษาทางการแพทย์คนที่ถูกแฝงไม่ต้องรักษาได้ทางการแพทย์คนที่ถูกแฝงนี้มันเกิดจากกรรมกรรมที่เคยแฝงกันมาเคยสิงกันม า, าพูดง่ายๆมันเป็นกรรมอย่างนั้น ความแตกต่างก็แตกต่างกันอย่างนี้และคนจิตอ่อนจิตแข็งเกิดจากอะไรพนจิตอ่อนจะทำให้จิตแข็งได้อย่างไรจิตอ่อนจิตแข็งมันไม่มีในหลักคาสอนจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีมีแต่ปกติจิตคือจิตธรรมดาทั่วไปกับจิตอ่อนกายมูทูตาจิตตามูทูตา หมายถึงว่ากายอ่อนจิตอ่อนกายอ่อนจิตอ่อนนี่เป็นเป็นอาการของสมาธิหรือปีติกายอ่อนจิตอ่อนนี้นะกายจะไม่แข็งกระด้างจิตจะไม่แข็งกระด้างกายจะอ่อนอ่อนนคือเบากายยะมุทุตาเบาเบาในกายร่างกายจะเบาเบาเบี้วเลยนะเหมือนกับนั่งก็เหมือนกับว่าคนไม่ติดพื้นเดินก็เหมือนกับว่าเท้าไม่ถึงพื้นอะไรพวกนี้ยอันนั้นคือกายเบาจิตก็เบากายยะมุทุตาจิตตาบุทุตาคือจิตก็อ่อน ผู้เจ้าบอกว่าถ้ากายอ่อนจิตอ่อนเป็นจิตที่ควรแก่การงานคําว่าเป็นจิตที่ควรแก่การงานหมายถึงว่าให้ธรรมะอะไรเข้าไปในจิตจิตก็ควรแก่การงานที่จะทําในบทธรรมหรือข้อธรรมหรือกรรมฐานบทใดบทหนึ่งหรือยกหัวข้อธรรมอันใดอันหนึ่งให้จิตเข้าไปในขณะที่จิตมันอ่อนอยู่เนี่ยอ่อนคือไม่แข็งกระด้างไม่อยากกระด้างเป็นจิตที่โอนอ่อนพ่อตาม กรรมฐานที่ทําหรือว่าธรรมะที่ปฏิบัติอยู่ในจิตในใจตัว น, นี้ยอันนั้นคือจิตอ่อนแต่จิตอ่อนประเภทขี้กลัวอย่างเงี้ยไอ้ความขิ้อ่อนแบบขี้กลัวอันนี้ไม่ใช่อ่อนอันนั้นแข็งนั่นอนะ่ะกระด้างนนะั่นอ่ะที่ที่กลัวนั่นอนะ่ะแข็งกระด้างอ่อนแบบแข็งกระด้างอันนั้นอนะ่ะพอเข้าใจไหมอ่อนในความหมายของพระเจ้าคือจิตอ่อน ช, ชนิดที่เรียกว่า จิตตมุทุตาคือจิตอ่อนที่ควรค่าแก่การทํางานคือจิตที่ประกอบไปด้วยปีติและสมาธิมีความสุขมีปีติมีสุขมี ส, ม, สมาธิอยู่ในนั้นอ่อนควรแก่กันนั้นโน้มไปสู่การระลึกอดีตชาติได้ก็ไปได้ก็รู้ได้ด้วยจิตที่อ่อนนะั้นจิตที่แข็งกระด้างโน้มไปสู่อดีตชาติไม่ได้โน้มไปดูนรกไปดูสวรรค์ไปดูอมรรตผีปีศาจภพภูมิต่างๆมีอยู่จริงไหมเทวดามีอยู่จริงไหมดำรงอยู่อย่างไรมีวิมานอยู่จริงหรือเปล่า ล้วนแล้วแต่เกิดจากจิตอ่อนนี้ที่ควรค่าแก่การทํางานนี้เป็นจิตที่ทางทางไม่ว่าใช้ใช้ได้ใช้สั่งการให้เกิดความรู้ความเห็นเกิดนิชาต่างๆได้ภายในจิตอันนี้คือจิตอ่อนแต่จิตอ่อนที่เกิดจากความกลัวขี้กลัวอ่อนแอเนี่ยจิตอ่อนแออันนั้นอันนั้นคือจิตที่ขาดเข่าเป็จิตที่ประกอบด้วยกิเลส ทำยังไงถจะให้จิตแข็งได้ต้องฝึกสติมากๆเจริญสติคือแข็งนี่ไม่ใช่แข็งกระด้างแต่เป็นการเข้มแข็งมีจิตที่เข้มแข็งเมื่อมีสติมากเข้าฝึกสติมากเข้าจิตก็จะเกิดการเข้มแข็งเมื่อเข้มแข็งมากเข้ามีสมาธิรองรับจิตก็อ่อนควรแก่การงานจิตที่อ่อนควรแก่การงานนี้เป็นจิตที่มีสติรองรับนะเป็นจิตที่มีสติจะไม่หบาดกลัวอะไรจะไม่ตกใจกลัวอะไรง่ายๆ ประสบกับสิ่งที่เป็นน่ากลัวก็ไม่กลัวเห็นพบภูมิต่างๆที่น่ากลัวจิตก็ไม่ตกใจไม่หวาดพิโตแต่หากจิตใดก็ตามไม่มีสติฝึกสมาธิลงไปโดยขาดสติคือไม่มีสติลองรับไปเห็นพบภูมิเห็นเปรตเห็นผีเห็นปีศาจโผล่หน้าโผล่ตาขึ้นมากลัวตกใจกลัววิ่งหนีออกจากที่นั่งที่ภาวนาที่ปฏิบัตอิอันนั้นคือจิตอ่อนแอ จิตที่กลัวจิตที่กลัวอย่างนั้นต้องฝึกสติเจริญสติฝึกอย่างไรเมื่อความกลัวเกิดขึ้นก็ดูอาการกลัวที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นได้นานแค่ไหนตั้งอยู่ในใจนานแค่ไหนแล้วก็ดับลงไปตอนไหนอย่างเงี้ยความกลัวฝึกดูอย่างนี้อยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมากเข้ามากเข้ามาเข้ า, ม, า, ข า, ม, า, ขามันก็จะเข้าใจและมันจะเกิดความกล้าหาญขึ้น พอมันกล้าเผชิญกับความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตพอมันกล้าเผชิญกับความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตได้มันก็กล้าเผชิญอย่างอื่นได้อีก่ความกลัวที่อยู่ในจิตมันยังอยู่กับมันได้อยู่กับเราได้นี่คือการฝึกสมัยพุทธกาลที่กล่าวว่ามีน้าแปลงมาบวชใช่มีอยู่จริงหน้าแปลงมาบวชและในพุทธศาสนายังมีอับานุษยใช้แฝงกายมนุษย์มาฟังธรรมยังมีอยู่ไหมมีอับมนุษย์ผีปีศาจบางจาพวกต้องการจะฟังธรรม อาศัยกายมนุษย์มาฟังธรรมก็ได้แล้วแฝงกายมาได้ยังมีอยู่เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรมรมดาบางทีเจ้าตัวก็ไม่อยากจะฟังหรอกผีพาฟังผีพามาฟังก็มีอย่างเงี้ยหรือเจ้าตัวอยากจะมาฟังธรรมผีเข้าสิงพาห น, นีออกไปจากการฟังธรรมหรือทําให้ใจเหมือลอยจากการฟังธรรมก็มีอย่างเงี้นมันหลากหลาย หมดแล้วมั้งคำถามถามมาแล้วแค่นี้ถามมานี่ก็ตอบแค่นี้ตอบแค่นี้ก็ต้องจบแค่นี้เนาะจบเนาะถามมาแค่นี้อยู่เชื่อไหมผีสิงค น, นได้เชื่อครับเชื่อ อ๋าทำไมเชื <sh <arp> ่อมีมูลเหตุอะไรก็ความเรื่องของกรรมนี่แหละครับความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันฆ่ากันไปวิเคราะห์จากหลักธรรมใช่ไหมครับอ่วิเคราะห์จากหลักธรรมมีมูลเหตุเป็นอย่างนั้นจิตอ่อนหรือจิตแข็งเนี่ยทําทําทํหรืางโลกปกติเราเนี่มันมันทางมันจิตอ่อนหรือเจ็ตขี่กลัวว่าหรือเปล่าเงนะในใจก็กลัวก็กลัวจิตอ่อนนี่วาเนี่ยขี่กลัวเนี่ย จิตอ่อนพระอาจารย์ก็เคยกลัวมาก่อนก็เป็นคนที่กลัวมาก่อนเป็นคนจิตอ่อนมาก่อนนี่เลยจิตอ่อนได้จิตแข็งไม่น่าจะ อ, อ่อนไม่อ่อนไม่แข็งนะเนาะเอาธรรมดาธรรมดานะ้ะเออไม่ไม่กลัวแนละ้วเนาะไม่กลัวนะไม่รู้จะกลัวอะไรโยมชาตินี้เอาแบบไหนเอาอ่อนแบบทางธรรมหรือเอาแบบอ่อนแบบทางโลก อ่อนแบบทางธรรมคือต้องมีสติมีปัญญาแลนะ้วเนาะมีสติรองรับจิตจิตที่แท้จิตที่จิตที่มีประสิทธิภาพ ค, คือจิตที่อ่อนไม่ใช่แข็งกระด้างเป็นอ่อนควรแก่การงานอ่อนหมายถึงว่าบอกอะไรก็เชื่อฟังแต่ไม่ใช่หัวอ่อนนะบอกอะไรให้ทําว่านั้นก็ทําแบบซื่อๆทื่ อ, อๆไปอย่างนั้นอันนั้นหัวอ่อนจิตอ่อนหัวอ่อนด้วยคืออ่อนในในความหมายของพระพุทธเจ้าคือ โน้มไปในการงานทางธรรมโน้มไปในการค้นควาหลักความจริงจิตโน้มไปได้ง่ายเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าอะไรอดีตชาติมีจริงอนาคตชาติมีจริงคือชีวิตหลังความตายมีอยู่จริงอย่างเงี้ยเชื่อทานเชื่อผลของทานผู้นี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการฝึกจิตทําให้จิตอ่อนพรว่าแก่การงานทั้งนั้น บรรดาวความเชื่อทั้งสิประการนี่จำไม่ได้มาพูดอีกซ้ําก็จำไม่ได้อีกเลยสามาทิติสิบประการเนี่ยนะลืมกันหมดัะลืมไหม<ช>พูดมาไม่กี่วันแล้วลืมหมดนะไม่ลืม<ช>มา<ช> ไ, ไม่ลืมไล่เช็คสิเชื่ออะไรเชื่อคำอะไรนะกรรมสามาทิติสิบอ่ะหนึง่งเ<ำ>ชื่อว่าผลค ข, ของกรรมดีมีจริงผลของกรรมชั่วมีจริง สองะสามโลกหน้ามีโลกหน้ามีนะโลกที่แล้วมีคุณของบิดามารดาคูณของบิดามารดามีอไรยีบิดามารดาสองข้อสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีการเส้นสวงเส้นไา้มีผล การกระทายันบูชายันมีผลเส้นสวงเส้นไหวกับบูชายันแตกต่างกันยังไงนะเส้นสวงเส้นไหวกับบูชายันเส้นสวงเส้นไหวคือให้ปัจจัยสี่แต่สงใช่ไหมผลแห่งการให้ปัจจัยสี่แต่สงหรือให้แก่คนอื่นนี้มีผลใช่ไหมมีผลทางดีที่ดียันที่นี่ ยันนี่คือเรื่องของการทาบุญใช่ไหมเออเอาแต่แต่งันยังไงก็ให้ปัจจัยสี่แกสองก็ก็เป็นการทาบุญกับยันเนี่ยะยันเนี่ให้แล้วอุทิตให้แล้วอุทิ ต, ตมันมีเรื่องของพระเจ้าวิชิตตลาดที่ต้องการจะบูชายันพระเจ้ามาหาวิชิตตลาดต้องการจะบูชายันทีนี้ก็เลยจับสัตว์ทั้งหลายเป็นจํานวนอย่างอัปคัน เข้าเข้าสู่หลักประหารเพื่อบูชาคือการบูชาแบบครั้งพุทธกาลก่อนก่อนพุทธกาลเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็เลยมีพวกพระเจ้านี่เลยหรืออมมาทั้งหลายนี่เลยกลาบทูนว่าการจะบูชายันนั้นควรปรึกษาท่านผู้รู้ก่อนออกใครเราเป็นท่านผู้รู้ก็ามาสามาสามพทธเจ้านี่แหละเป็นท่านผู้รู้งั้นก็ไปปรึกษาโค้งว่าการบูชายันนั้นควร บ, บูชายันอย่างไรให้ถูกต้อง คือเจ้าก็เลยแนะนำมาหาพระเจ้ามาหาวิชิตราชบอกว่าการบูชายัญที่ท่านกําลังทําอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อความลําบากเพื่อเป็นไปเป็นไปเพื่อเพราะเพื่อบาปเพื่อกำเป็นไปเพื่อความเดือดร้อ น, อนแก่หล่สัตว์ทั้งหลายการบูชายัญไม่ควรแก่ท่านใช่ไหมหล่ะพระเจ้ามาหาวิชิตละลั่นก็เลยบอกแล้วบูชายัญอย่างไรจึงจะเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรถึงจะได้มีประโยชน์คุณเจ้าก็เลยบอกว่าให้ทานใช่ไหม ให้ทานให้ทานแกไข่แกเรากษัตริย์ทั้งหลายแก่พวกทหารทั้งหลายเซนอาบดีทั้งหลายที่เป็นเชื้อพระวง์เป็นผู้ที่ร่วมทำการงานทำศึกทำอะไรมาด้วยกันจัดงานเลี้ยงเราพูดง่ายให้ทานแก่ผู้เหล่านี้แต่วให้ทานผู้มีศีลที่พระเจ้ามหาวิชิตรัชก็บอกว่าเอให้ทานแก่ผู้มีศีลนี่ข้าทาสบริวารของข้าพงค์บางคนไม่มีศีล ทำปน า, าติบาตบ้างอธินนาทานบ้างดื่มสุราโคหกบ้างหรือว่าประพฤติผิดในกรารมบ้างข้าพกลควรจะเลือกเฟ้นบุคคลผู้ให้ทานอย่างไรพระเจ้าข้าพระทธเจ้าก็บอกว่าขอเพียงแค่ท่านท่านตั้งใจอยู่ว่าทานที่เราจะให้ในคราวครั้ง น, น, น, น, น, งนี้เป็นการบูชายันในคราวครั้งนี้เป็นการบูชายันเป็นการให้การบูชายันนี้แด คนผู้ทรงศีลเท่านั้นผู้ที่ไม่ทรงศีลเข้ามาสู่ที่บูชายัญนั้นคือเข้ามาที่ที่ในการให้ทานนั้นก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นแต่จิตใจของเราให้ตั้งไว้ว่าเราให้แกผ่ผู้ผู้มีศีลอันนี้ก็เป็นทานที่มีผลมากเป็นยันที่มีผลมากมีอันิสงส์มากพระเจ้ามหาวิชิตลาก็เลยถามอีกว่ามียันชนิดไหนบ้างที่กิบน้อยธุรน้อยแต่ได้ผล อันภัยบูญกว่ายัานดิชนิดนี้พี่ยอก็ บ, บอกว่าทําไงตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมเข้าถึงพระราตนาไตามีกิจน้อยมีธุระน้อยแต่ได้อานิสงส์มากกว่าการให้ทานแล้วมียันประเภทไหนที่มีกิจน้อยธุระน้อยกว่ากันสมาทานพระราตนาไตาแล้วได้ผลมากกว่าพียบบองบีอะไรบ้างสมาทานศีลใช่ไหมสีขาวบท เนี่ยเรียกว่ายันยันนะยันในทางพุทธศาสนาบูชายันในทางพุทธศาสนาสมมาทานสีขาวบทห้าแล้วมีกิจธุระน้อยกว่าสมมาทานสีขาวบทห้าแล้วได้ผลมากกว่าสีขาวบทห้ามีไหมมีทำยังไงสมาทานสีขาวบทแปดเห็นไหมแล้วก็ถามต่อไปอีกการบูชา ย, ยันโจทย์ไปถึงโน่นอ่ะเข้าชาั้นนู่นไหชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ไล่จนไปถึงชนนั้นแปดโน่นเออชั้ชนแปดมีไห นี้ก็ไล่ไปอย่างนั้นใ น, นการบูชายันคือยันที่ถูกต้องเป็นอย่างนั้นกับเส้นสวนเส้นสวนนี่คือให้สิ่งของแก่กันและกันเป็นการเส้นส่วนใช่ไหมในความหมายของพษษืชศาสนาแล้วอะไรอีกเชื่ออะไรอีกเชื่อว่าสมณพราหมูพืชปฏิบัติชอบเข้าถึงความสิ้นสัว์โดยชอบนี้อยู่ อะไรหมดแล้ ว, ลวนับยังไงยังไม่ถึงสิธิมันมันจะรับเป็นเป็นสอเชื่อกรรมเชื่อกรำดีกำชั่วอะไรประเภทนี้นะ<อ>แยกกันใช่ไห ม, มนี่คือการทําจิตให้อ่อนควรแก่การงานหากจิตไม่มีความเชื่อในสิ่งเหล่านี้จิตนั่นเป็นจิตที่แข็งกระด้างหยากกระด้างเป็นจิตที่คุยเจ้าสอนอยังไงก็ไม่ยอมทําไม่ยอมเชื่อไม่ยอม ไม่น้มใจไปตามหลักคําสอนจิตที่ไม่โน้มไปใจไปตามหลักคําสอนเป็นจิตที่ดื้อดึงขัดขืนแข็งกระด้างต่อพระธรรมคาสอนในพระศาสนาจิตที่แข็งกระด้างดื้อดึงขัดขืนพระธรรมคาสอนในพระศาสนาจิตดวงนั้นย่อมตกไปสู่อบายภูมิเนี่ยตกไปสู่อบายภูมิแน่นอนอบายภูมิก็มี สัตวด้ดัชานเปรตผีปีศาจอสุรกายนรกนี่แหละอ บ, บายภูมิเพราะฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าพยายามสอนหลักคําสอนเพื่อให้เกิดการรู้ตามเห็นตามคําว่าเชื่ อ, อ น, นั้นคือต้องรู้ตามเห็นตามไม่ใช่ว่าเชื่อก็สักด์แต่ว่าเชื่อไปแบบอันนั้นหัวอ่อนไม่ใช่จิตอ่อนจิตอ่อนที่แท้จริงต้องเป็นการงานต้องสามารถทําการงานในสิที่ทิศวงทรงชี้ทางบอก ให้เราปฏิบัติต้องต้องรู้จักการงานในสิ่งที่เราเชื่อด้วยจิตอ่อนนี่ต้องรู้จักการงานในสิ่งที่เราทําโลกนี้มีโลกหน้ามีเนี่ยมันต้องมีเหมือนวัวนนี้มีพรุ่งนี้ก็ต้องมีในความหมายอย่างนั้นกรรมดีมีกรรมชั่วมีคือทํากรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วมันเป็นอย่างนั้นแล้วการทํากรรมดีกรรมชั่วไม่ใช่ทํากรรมดีเพื่อหวังประโยชน์ในภายภาคหน้า แต่ทำกรรมดีเพราะเห็นบ้างมันดีจึงทำในปัจจุบันนี้แหละไม่ได้ทำเพื่อคาดหวังว่าจะได้ดีในพบหน้าชาติหน้าอันได้ดีในพบหน้าชาติหน้ามันได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องหวังก็ได้หาทำกรรมดีในปัจจุบันแต่ให้ทำกรรมดีเพราะเห็นว่ากรรมดีนี่ดีที่เว้นกรรมชั่วเพราะรู้ว่ากรรมชั่วมันชั่วแล้วเว้นก็แค่นั้นไม่ต้องไปคาดว่าทำดีมาตั้งเยอะตั้งแยะทำไมมันเห็นไม่เห็นมันให้ดีดีให้ผลสักทีว่าอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นประเภททํากัมดีเพื่อหวังหวังเอาดีทําดีเพื่อหวังเอาดีเป็นดีเป็นการทําดีแบบไหนอยู่ในหลักสมาธิถี่ไหมตอบไม่ได้ใไม่ครับไม่หรอไม่ได้อยู่ในหลักสมาธิทําดีเพราะเห็นว่ามันดีแล้วก็แล้วเท่านั้นแหละไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายไปกว่านั้นคาดหวังในใจอยู่ดี อันคาดหวังก็จัดอยู่ในไหนอ่ะทําบุญเพื่อหวังผลก็จัดอยู่ในส่วนผู้ที่ยังคาดหวังอยู่การคาดหวังเราก็ห้ามไม่ได้นะการคาดหวังก็ต้องมีแต่ให้รู้เข้าใจว่าการทําดีไม่ได้คาดหวังเอาดีแต่ให้รู้ว่าทําดีเพื่อเพื่อความดีในตัวเข้ามาันเพราะมันเป็นความดีเพราะศรัทธาในความดีการทําความดีเพื่อคาดหวังเอาดีนั้น เวลาความดียังไม่ให้ผลก็จะเข้าใจว่าโอ้ทําดีแล้วไม่ได้ผลแล้วก็หยุทดทําดีมันไปได้ไม่ตลอดอดฝันแต่ทําดีเพราะศรัทธาในความดีใครจะดา่าใครจะว่าใครจะเหยียบย่ำใครจะทําลายใครจะสารพัดพูดในเชิงที่ไม่ดีหรือ ม, มีอะไรที่มาทําให้เกิดอุปสรรคในการการะทําก็ไม่หยุดเพราะเราศรัทธาในความดีเราศรัทธาในคําสอนเราก็ทําคําสอนทําตามคําสอนไป ให้ถึงตลอดรอดฟังเราศรัทธาในหลักของคําสอนของพระสมณที่เจ้าเพราะเราเชื่อว่าถ้าทำคําสอนของพระเจ้าเป็นธรรมอันดีเป็นธรรมที่ดีที่ถูกเป็นสวัสดิธรรมธรรมที่ถูกต้องตัดไว้ชอบแล้วถูกต้องดีแล้วเราก็ทําปฏิบัติตามภาษาสดาสั่งไว้อย่างไรก็ทําตามอย่างนั้นพระ อ, องค์บอกว่าเอาธรรมและวินัยเป็นตัวแทนพระองค์ก็ต้องเอาธรรมวินัยเป็นตัวแทนพระองค์จะเอาอยัางอื่นมาเป็นตัวแทนไม่ได้ แล้วก็ถูกด่านะถูกดามาว่ามันไม่เพี้ยนมันผิดมันไม่ถูกกับจริรีมไม่เข้ากับประเพณีผิดจากทางโลกผิดจากการนิยมทางสังคมผิดจากขนบธรรมเนียมผิดจากบรรพบุรุษผิดจากการยึดถือมาแต่ไหนแตไน่ตไรเขาว่ามาคนที่ศรัทธาในความดีศรัทธาในหลักคาสอนคนที่มุ่งมั่นเชื่อในความดีทําดีโดยไม่หวั ง, วงผลตอบแทนต่อความดีจะเอาคําที่เขาด่าว่าเสียแทง เสียดสีเหยียบย่ำมาทำให้ตัวเองหยุดทำความดีได้ไหมไม่เพราะเราศรัทธาในความดีอย่างแท้จริงนั่นนะคือความถูกต้องแต่บางคนมายึดถือท ร, รมวินัยยังไม่ทันเท่าไหร่โอตอนแรกก็ว่าดีดีดีเพอถูกอะไรอิทธิพลทางสังคมเขาว่ามานิดหน่อยก็วางแล้วไม่เอาแล้วบอกไม่เหมือนเขาไม่ยอมทาตามไม่เหมือนเขาอ๋อ อันนั้นคืออะไรอันนั้นคือไม่ได้ศรัทธาในความดีเลยยัง ไ, ไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าเลยนะั่นจิตกระด้างมากจิตหยาบมากไม่ไปไปตามหลักคําสอนจิตไม่อ่อนไปควรแก่การงานคําว่าควรแก่การ น, านั้นเรารู้อยู่แล้วเหมือนกับขุดดินลงไปรู้แล้วว่าใต้ดินเนี่ยมีน้ํามันยังไม่เจอน้ำมันก็ดา่ามึงจะไปขุดบ้าหาอะไรในน้ําใต้ดินมึงจะบ้าบ้าขุดดูอะไรมันชัดเจนอยู่แล้วว่าน้ํามันต้องอยู่ในดินแน่ ขุดไปจนเจอเท่านั้นพอน้าออกมาแล้วเป็นยังไงมันก็ได้ผลเพงแค่นั้นเองมันมันไม่ได้เกี่ยวใครจะมาว่าหรือไม่ว่ามันเกี่ยวอยู่ว่าความจริงมันมีอยู่ไหมถ้าความจริงมีอยู่ว่าน้ำอยู่ใต้ดินมีมันไม่เกี่ยวอ่ะใครใครจะมา ก, าากาล่าวหากล่าวร้ายก็ยังไงขุดไปก็ต้องเจออยู่ดีน้าใต้ดิน ทุกวันนี้จิตชาวพุทธกระด้างต่อคําสอนของพระพุทธเจ้ามากกระด้างนี่คือดื้อเลยละ่ะดื้อดึงขัดพืนต่อรับคําสอนประกาศว่าศรัทธาศรัทธาเยอะศรัทธามากแต่ศรัทธาไม่ยอมคล้อยตามหลักคําสอนศรัทธาแล้วเอาเหตุผลตัวเองมาเป็นเครื่องหมายของการศรัทธาอ้างแต่ศรัทธาอยู่นั่นแหละอ้างอ้างศรัทธามาอ้างนั่นอ้างนี่อ้างที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่สุดในโลอ้างที่จะสร้างลูกเขารบตามปางนั้นปางนี้วันเกิดเกิดวันจันทร์ปางอะไรไม่รู้อะคนอันนี้มีสนใจแล้วเนาะ <c oughs> วันอังคารปางศรีหัสยา่าคนวันอังคารก็เลยติดนอนสรีหัสหัา <c oughs> วันพุธปางอะไรไม่รู้พระฤหัสปางนาคโก ใช่ไหมันศรขันร้นรนระดับผมไหนบอกไม่รู้มันจ <cop> ันด้วยรือปางไหนต่อปางไหนนะมันใครเป็นคนกําหนดปางเพราะพระเจ้ากําหนดปางเหรออริยสงสาวรวโลองไหนเป็นผู้กําหนดปางไม่มีแล้วทุกวันนี้มันมีพระปางต่างๆมาได้ยังไงนั่นคือความอยากกระด้างในจิต ที่มีโอนอ่อนต่อําสอนของพระสมานองคุริเจ้าจิตกระด้างจิตไม่โอนอ่อนต่อหลักคาสอนแต่พอเราบอกว่ากระด้า ง, างนี้เขาก็ไม่เอาเขาไม่คิดชอบเอาอนาะพูดถึงเรื่องจิตอยู่ดีๆมวกเข้ามาหาเรื่องพวกนี้ยังไงมันวกกันได้หมดอะไรเลยมันเชื่อมโยงกันไม่หมดอะไรใช่หลักธรรมมันเกี่ยวโยงกันทั้งนั้นแหละหลักศาสนาเนี่ยจิตที่อ่อน ควรแก่การงานคือโน้มไปในหลักคําสอนของพระเจ้าได้โดยง่ายเชื่อแบบมีเหตุมีผลไม่ใช่เชื่อแบบพร อ, อ่อนรู้เหตุรู้ผลภายในตนเองทีนี้ก็เราก็ยึดถือหลักการอย่างนี้มาปฏิบัติอย่างนี้มาสบายสบายถูกด่าไหมถูกดา่ามีทุกข์ไหมไม่มีทุกข์เพราะคนด่าต่างหากมีทุกข์เพราะในขณะที่เขาดา่าจิตใจเขาก็ทุกข์ ไอเราเขารู้อยู่ว่าโอเ้เขามีทุกข์ก็มีแต่เมตตาเขาอยู่นั่นแหละโอ้ด่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาทุกข์อยู่ในใจของเขานาะว่ะเนาสัตว์ทั้งหลายก็เป็นไปตามกรรมเถอว่ะเนี่ยกับพิจารณาอย่างนี้ใจก็วางไปเขาว่าไหมเขาก็ว่ามาเขาก็ไล่สิ่งไลอย่างนี่เขาพูดมานั่นคือปากของคนเขาพูดไปได้หมดอ่ะปากของเขา แต่เราก็ยังยึดถือในความดีอย่างนี้ไม่เสื่อมคลายไม่มีทางเสื่อมคลายก็จะยึดถือในการปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เป็นหลักคาสอนนีไม่ใช่หลักหนึ่งเราอยู่ในศาสนาสองเราประกาศตัวเองเป็นผู้ยึดถือตามศาสนาสามเราก็บอกว่าจะเป็นผู้เดินตามศาสนาสเราเคยเปลี่ยนประกาศว่าข้าพเจ้าจับประพฤติอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคําสั่งสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้านั่น จาประพฤติตามอยู่ปฏิบัติปฏิบัติตามอยู่ประกาศกันอย่างนี้ชาวพุทธก็ถูกสอนให้มาประกาศมาอย่างนี้ก็ประพฤติตามปฏิบัติตามซึ่งคําสั่งสอนของพระธรรมสัพพุทธเจ้าแต่คนที่เป็นประกาศบอกจะประพฤติตามปฏิบัติตามไม่เห็นได้ประพฤติปฏิบัติกันเท่าไหร่พอเรามาพุปฏิบัติก็มาว่าว่ามีดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่มัจะกลายเป็นเรื่องบ่นแล้วนี่ไม่เอาหาเรื่องสนธนาธรรมดีกว่า ถ้ามีพลังสนทนาทำก็หยุดนะเนี่ยไม่สนกันแล้วและไม่ส น, นแล้วเลยสนไหม <laughs> สนทนาไม่ใช่ธรรมาพูดฝ่ายเดียวไ ด, วดว้พูดโดยกันนี่แหละเปิดโอกาสให้แสดงความคิดแสดงความเห็นการกล่าวกันขึ้นมา คิดเองก่อนถามอะไรมีใครตอบได้ไม่มีใครตอบได้ไไดถามอะไรถามอะไรเรื่องการที่จะเป็นธาตุสี่ยอแต่ละอย่างที่มันงมีพุดขึ้นมานจิตปอกประกอบไปด้วยธาตุสีเนี่ยดินน้ำไปฟช่ทุกอย่างเลยแต่ว่ามันจะไปติดตรงธาตุลงอากาศเนี้ยมันประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำายอย่างไร ไฟยังพอสัมผัสได้อยู่ย ว, ว่าเวลาลมร้อนมาครับแต่ว่าดีกับน้ํำครับมันไปอยู่ในถ่านร่องได้อย่างไงดินกับ น, มม น, น, น้ำอยู่ในถ่านร่อได้ยังไงครับอยู่ได้สิทำไมอยูนะ่ไม่ได้ฝุ่นละองที่มันร่องลอยอยู่เป็นดินนะ่ะถ้าที่มันไปอยู่ด้วยกันนะ น้ำก็น้ำที่เราเห็นมันไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำที่เป็นหยดเป็นหยดน้ำที่เป็นหยดนี่คือประกอบประกันแล้วเนี่ยน้ำคือธรรมชาติที่ไหลเอือบอาบเพื่อทําให้ท่าเกาะกลุ่มกันอยู่เขาเรียกว่าธรรมชาติของธาตุน้ํำนะที่เราเห็นเป็นหยดเป็นหยดนี่คือน้ําที่เป็นธาตุผสมแล้วคําว่าอาโปธาตุคือธาตุที่เอือบอาบเล้วเอือบอาบเป็นธาตุที่ทําให้ธาตุอื่นเกาะกลุ่มกันอยู่ไมยย่ยึดติด รอดินมาเนี่ยเอาดินแห้งๆเป็นผง ม, มามาปั้นเป็นรูปต่างๆได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเอาดินมาคลุกกับน้ําน้ําจะทําให้ดินยึดกันอยู่ในในความพอเหมาะใช่ไหมล่ะปั้นเป็นก้อนได้เพราะนั้นคือธรรมชาติที่ทําให้ธาตุอื่นเกาะกุมกันอยู่ธาตุน้ําในข้อหมายเพราะฉะนั้นภาวะแห่งลมลมเที่พัดไปพัดมาลมคือธรรมชาติแห่งการพัดไปพัดมาสภาพที่พัดไปพัดมา คือลมนะทีนี้มันพัดเอาอะไรไปมันพัดเอาดินเอาน้ําเอาไฟไปด้วยกันหมดเลยประกอบกันหนึ่งตัวของมันไฟจะลุกเผาไม่ได้การที่จะไฟจะลุกได้ก็ต้องมีลมเป็นตัวพัดมันถึงจะลุกที่ไหนไม่มีลมไฟจะจุดไม่ติดไงถูกต้องไหมใช่ไงนะไฟจะจุดไม่ติดต้องมีลมด้วย ลมพัดให้เปลวไฟให้เกิดเกวมีเปลวไฟติดขึ้นไฟพิธาอันธที่ร้อนที่แทรกอยู่มันมันพน อ, อยด้วยกันนั่นแหละไม่แยกจากกันแต่ในห้างลกเนีมันจะมีดินแต่ดินนั้นเป็นดินที่เราม อ, เ ม, มองไม่เห็นมองไม่เห็นมันไม่ใช่ว่าจะต้องมองเห็นเส ม, มอไปธาตุดินมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องมองเห็นเส ม, มอไปอไม่ใช่ว่าเป็นก้อนเราซเราเราสำคัญ ม, นมันหมายแต่ก้อนดินเนี่ย ดินที่เราเห็นใช่ไหมใช่ครับอากาศที่มันอยู่เนี่ยใช่เราสัมผัสได้สัมผัสลมได้ไหมความเย็นกระทบก็ไม่ความรู้สึกอ่ะครับความรู้สึกของลมอ่ะสัมผัสได้ไหมล่ะมันจำต้องไม่ได้แต่ว่าสัมผัสได้ใช่สัมผัสได้กันอะไรี่ความเป็นดินดินน้ําไปลมอยู่เงี้ยด้วยกันมันประกอบกันแล้วอยู่ด้วยกันนัน เส้นผมหนึ่งเส้นประกอบด้วยดินน้ำไฟลมอาศัยอยู่ในหนังสีสันะแล้วล่าของเส้นผมก็ดูดเอาน้ําเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงเลือดก็ดินน้ำไฟลมอยู่อยู่ในเลือดในดินในน้ํามีไฟมีลมพอดูดออกเข้าไปหล่อเลี้ยงในตัวของเส้นผมดินที่เป็นของของแข็ ง, แ ข, งแข็งนี่นะตั ว, ตว ต้นเลือดเลยนะดินคือเลือดความร้อนในเลือดคือไปลมคือตัวที่พัดคือทำให้เลือดไหลไปไหลเข้าไปสู่เส้นผมนะครน้ำก็คือตั ว, ต ว, ตวของของเหลวมันก็ปนกันอย่างนี้นะนอาเลี้ยงเส้นผม ในในตัวเราพูดถึงในตัวเราถ้าพูดถึงตัวก่อนโลกนี้ก็ต้นไม้อย่างรากลงสู่พื้นดูดเอาดินน้ํำไฟลงใช่ไหมล่ะใต้ดินเนี่ยดินน้ํำไฟลงเือพวกโอชาคันพ ว, พวกอะไรแร่ธาตุอะไรต่างๆมพวกนี้เป็นอาหารของมันใช่ไหมมันก็ดูดเข้าไปก็ในอาหารนั่นก็คือดินน้ํำไฟลงมันพวกแร่ธาตุต่างๆได้ดี มีดินมีน้ำมีไฟมีลมอยู่ในทั้งหมดเลยเลี้ยงตัวของมันขึ้นไปมันทุกอย่างที่ประกอบมจาจากธาตุทั้งสี่เป็นพื้นฐาน ก, ก็มีธาตุอ่างอื่นประกอบด้วยนั่นแหละแต่ว่าพื้นฐานใหญ่ๆคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลม เ, เรียกว่าเป็นมาหาพูดมาหาพูดคือคือสิ่งที่เป็นใหญ่สี่ประการหรือว่าเป็นที่ตั้ง การก่อเกิดของรูปหากรูปจะก่อเกิดขึ้นได้โดยปราศจากธาตุทั้งสีนี้รูปนั้นไม่สามารถประกอบขึ้นขึ้นมาได้เลยมันต้องอาศัยทั้งสี่อย่างเป็นเป็นรูปใหญ่เรียกว่าเป็นเป็นสิ่งก็เลยว่าปัญหาพูดรูปหมายถึงว่าภาวะแห่งความมีความเป็นที่มันเป็นอยู่มันตั้งอยู่มันมีอยู่ที่จะเป็นตัวก่อให้เกิดรูปเป็นรูปใหญ่ก็ว่าได้เป็นรูปหลัก ถ้าสีดินน้ำไฟก็มีสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราจะต้องใช้จินตนาการคือการหยั่งคิดแต่จินตนาการไม่ใช่จินตนาการแบบอยากจะคิดก็คิดไปตามเรื่องตามราวแต่คิดอยู่ในองค์ประกอบของเหตุมันการจินตนาการนำนาไปเราก็จะเกิดความรู้ค้อยตามจิตเราก็จะค้อยตามในการรู้ในสิ่งที่เราจินตนาการไม่ใช่จินตนาการในโลกของ ความอะไรหนีออกจากความเป็นจริงจิงนตนาการในเรื่องของอยากจะไปสวรรค์ก็จินตนาการถึงสวรรค์อเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแหะอันนี้คือจินตนาการโดยหลักของความจริงหรื อ, ชอร เ, เอชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้าเมื่อเชื่อว่าโลกนี้มีพระเจ้า ก็เริ่มจินนาการถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าจะต้องมีลักษณะอย่างไดอย่างหนึ่งแต่ลักษณะนั้นไม่รู้หรอกคืออะไรแต่จินนาการถึงโดยไม่มีมูลเหตุหรือพื้นฐานทางข้อมูลทางหลักของความจริงเป็นเครื่องประกอบแต่จินนาการขึ้นมาต้องมีพระเจ้าเมื่อมีพระเจ้าปุ๊บจะต้องเส้นสวงพระเจ้าจะต้องบูชาพระเจ้าหรือจะต้องทําการอะไรต่างๆเพื่อ น, นับถือพระเจ้าทีนี้ในระยะเริ่มแรก เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรระยะเริ่มแรกนี่การยึดถือพระเจ้าในระยะเริ่มแรกเป็นพวกพระหูเทวานิยมพระหูเทวะนิยมหมายถึงการนับถือพระเจ้าในกลุ่มของอนาฬยชนอนาฬยชนคือชนที่ยังก้าวเข้าไปไม่ถึงความเจริญอนาฬยะยังไม่เจริญทางด้านการเรียนรู้การศึกษาเทคโนโลยีหรือสภาพความเป็นอยู่ อนันตชนนี้ยังยังอยู่แบบในป่าในเขาในในถ้ำอะไรประเทเนี้ยอนันตยชนจึงเกิดมีพ่อหูเทวานิยมมีพระเจ้าหลากหลายพ่อหูแปลว่ามากเทวานิยมคือนับนับถือเทพพระเจ้าหลากหลายพระเจ้าเสือพวกอยู่ในป่าก็นับถือเสือว่าเป็นพระเจ้าเพราะเสือเหมือนกับว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวดุร้ายเขาก็เลยนับถือเสือเป็นพระเจ้าพระเจ้าเสือพระเจ้า สิงโตเนี่ยพขาก็นับถือสัตว์พวเนี้เป็นพระเจ้าในยุคเริ่มแรกนะพระหูเทวานยิยมหรือเกิดฟ้าผ่ามาเพียงปังก็กลัวทีนี่เข้าใจว่าต้องมีใครทําให้ฟ้าผ่าแน่นอนจู่ๆฟ้าจะมาผ่าไม่ได้ต้องมีคนทําคนนั้นต้องเป็นพระเจ้าแน่ๆเขาคิดอย่างนั้นคืออนณารัชนยังยังไม่มีความรู้มากก็เลยเข้าใจอย่างนั้นในกฎธรรมชาติก็เลยเขาจะมีพระเจ้าอีกผู้ผู้อยู่บนฟ้า ที่ทําให้ฟ้าผ่าภูเขาไฟระเบิดเองทีนี้แสดงว่าต้องมีพระเจ้าอยู่บนเขาพวกสถิตอยู่อาจจะพิโรธอะไรบางอย่างด้วยเขาเรียกว่าวเราทําอะไรผิดในตัวท่านท่านจึงพิโรธทําให้ภูเขาไฟระเบิดทําให้คนเดือดร้อนก็เส้นสวงเส้นไหวเส้นไหวแล้วเนี่ยพระเจ้าฟ้าผ่าพระเจ้าภูเขาไฟพระเจ้าอะไร ต, ต, ต, ต่างๆก็ตั้งขึ้นขึ้นมาพระเจ้าที่เยอะที่สุดที่เท่าที่เคยเห็นก็คือพวกกรีกเี่ย กกรเนี่ยมีเทพพระเจ้าประจาทะเละซีอูดเห็นไหมฮะซีอูไม่ใช่เหรอเราก็นึกว่าซีอูดหรือซีทะเลไว้โพไซดอนหอเหรอครับโพไซดอนพระเจ้าประ จ, จาทะเลพระเจ้าประจําป่าไม้อะไรพระเจ้าประจาเมืองอีกทีนี้เอเทน่าพระเจ้าอะไรอีกเทพพระเจ้าประจาแต่ละที่แต่ละที่ อบมีเยอะมากมายเลยนะซีวูดโพเซดอนเปตอูก็มหีหลายอย่างกลุ่มพวกเนี้ยมันถ้าเราไปเรียนรู้ทางปรัชญาศาสตร์เราจะรู้ว่าอ๋อเขาเข้าใจและเชื่อว่าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ลีลล้ลับลึกลับจะบรรดาลสิ่งเลวร้ายให้กับมนุษย์ได้หรือบรรดาลความพึงพอใจให้กับมนุษย์ได้อะไรอย เ, เี้ย หรือเรามีความเชื่อในฝังลักลึกในแผ่นดินเราที่เชื่อว่ายามใดก็ตามที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นเพราะเราอะไรเราไม่ได้เส้นสวงเส้นไหวไม่ได้แหนางแมว <c oughs> อย่างเงี้ยก็เลยแหนางแมวแหนางแมวมเกี่ยวอะไรกับฝนตกคล้ายๆกับว่าแมวเป็นเพราะเป็นอะไรกันในรู้ที่ต้องเรามาเป็น เป็นตัวแหเนี่บางทีจะแมวตายนั่นคือการที่ไม่ไม่ไม่อยู่ในภาวะแห่งความเจริญไม่เจริญเป็นพหตเทวาเนยมนิยมหลากหลายมีพระเจ้ามากจนเกิดอยู่ในจนยุคของพระโหตเทวาเนยมเนี่ยเกิดมีวิทยาการความรู้ขึ้นมามากก็เลยมาคิดกันว่าเราทำไมมีพระเจ้าเยอะกันเลยเอ า, อางี้ดีกว่าพระเจ้าควรจะมีโอมเบวเ้าเรียก ว, ว่าเป็นหัวหน้าพระเจ้า คิดกันขึ้นมาไงพระเจ้าแต่ละองค์ที่เราเข้าใจบ้างพระเจ้าเหล่านี้ยก็ถือว่าเป็นพระเจ้าบริวารถึงเป็นเทพพระเจ้าจากพระเจ้าบริวารก็เลยกลายเป็นพวกเทพพระเจ้าแต่พระเจ้าต้องมีหนึ่งเดียวเหมือนกับคนต้องมีหัวหน้าคนหนึ่งพวกพระเจ้าก็ต้องมีหัวหน้าของพระเจ้าไอหัวหน้าพระเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นเป็นพระเจ้าที่เป็นลูกน้องบริวารก็เรียกว่าเป็นเทพพระเจ้าอย่างนี้พวกพวกเจ้าเจ้าของ มันจะมีเจ้าของพวกเทพขึ้นมาทีนี้ถ้าเราจะเส้นสวงเส้นไหว้ก็ควรจะเส้นสวงเส้นไห้พระเจ้าคนเดียวเลยบูชาพระเจ้าผู้เดียวเลยเดี๋ยวพระเจ้าจะสั่งการให้พวกเทพพระเจ้าเนี่ยดูแลพวกเราเข้าใจอย่างนั้นอันนี้คือยุคของเอกเทวะนิยมนิยมพระเจ้าองคเดียวเนี่ยนี่คือพวกที่จเจริญแล้วนะอยู่ในยุคของอารยชน คนที่เข้าถึงความเจริญคือมีวิทยาการมีการศึกษามีความการเรียนรู้ฉลาดขึ้นมาเยอะแล้วพอฉลาดขึ้นมาเยอะก็เอาพระเจ้าองค์เดียวพอก็ถือว่าเป็นการเจริญขึ้นมาเรื่อยๆโดยการยึดถือพระเจ้าตั้งแต่เอากาเทวนุยมมีพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นจนสืบมาทุกวันนี้มีพระเจ้าผู้เดียวแต่คนในความหมายที่พูดถึงหมว่าคนที่ยึดถือพระเจ้าหลากหลายก็มีนะนทีนี้ เมื่อเอกาเทวานิยมมีการยึดถือพระเจ้าองค์เดียวปั๊บก็เลยมีการแบ่งแยกกันว่าคนพราหมณ์ก็มีพระเจ้าองค์เดียวคือพระพรหมฮินดูก็มีพระเจ้าองค์เดียวคือพระนาลัยหรือพระวิศวะิศวุิษนุโอ้ฮินดูเยอะนะ เป็นเป็นพ่อหูเทวานิยมเหมือนกันนะแต่เขาก็บอกว่าพนาลายมั้งแต่นอกนั้นเป็นร่างอาวาตารแต่ฤาษีวิษณุนี่แหละพระวิษณุใช่ไหมไม่รู้ไม่ไม่รอบรู้บ้างเลยเหรอพิกาเนียดแน่นก็เป็นน่าจะเป็นอาวาตารร่างอาวาตารแม้แต่พระเจ้าเราก็ยังบอกว่าเป็นร่างอาวาตารของวิศณุ <c oughs> นั่นแหละ ก, ก็จกับกืนกันไปอย่างนั้นก็คือมีพระเจ้าองค์เดียวนอกนั้นเป็นร่างอาวาตาร ศา ส, สนาคร well? ิสต์ก็มีพระเจ้าองค์เดียวศาสนาพุทธล่ะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวใช่ไหมคือคือที่พึ่งหนึ่งเดียวในการยึดพึ่งใช่ไหมล่ะก็เชื่อความเป็นหนึ่งไม่เชื่อหลากหลายไปได้ก่อนแล้วก็เชื่อความเป็นหนึ่งมายุคนี um ้เราเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวไหมค่ะฮะยุคนี Harbor ้นะเอาแล้วทำไมยังเห็นมีไหว้เทวดาไหว้ผี ไหวปมไหวเจ้าปู่เจ้าย่าอยู่แน่ใจหลือว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเรากําลังย้อนไปสู่ยุคของอนาลยชนครั้งพุทธการเขายึดถือพระพุทธเจ้าเท่านั้นใช่ไหมยึดถือคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นใช่ไหมอย่างเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าตัดอย่างไรพระองค์สอนอย่างไรพระองค์ ใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจในธําของใครศาสดาของท่านสอนคํานั้นอย่างไรก็บอกคําสอนที่ต่อใช่ไหมล่ะไม่เกี่ยวกับว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่หรือไม่มีอยู่นะก็บอกคําสอนที่พรทรงสอนต่อคนอื่นไม่เอาคําสอนของคนอื่นมาพูดนะเอาคําสอนพระพุทธเจ้ามาพูดพูดเสร็จปับ๊บก็ฟังปับ๊บเขาศรัทธาเขาก็มายึดถือคําสอนต่อว่าโอ์พระศาสดาสอนมีเหตุมีผลเพราศรัทธาในพระพุทธเจ้าองค์เดียวทิ้งพระเจ้าองค์อื่นไปหมดคำพุทธการไง ก็สืบกันมาอย่างนี้เรื่อยๆจนมาถึง so ยุควันนี้มีค so no ําสอนของผู้ไ so ด้เจ้ายังมีอยู่ใช่ไหมคําสอนผท้เจ้ายังถูกบอกถูกสอนออกไปอยู่ใช่ไหมคําสอนผู้เจ้าบอกให้ยึดถือทำเป็นหลักใช่ไหมทำและวินัยเท่านั้นเป็นตัวแทนภาษาสดาใช่ไหมถามว่าคนชาวพุตตะวันนี้ยังยึดถือทำของผู้ได้เจ้าอย่างเดียวไหมหรือยึดถืออย่างอื่นด้วยยึขนาดแค่ผู้ได้เจ้ายังมีหลายปางใช่ไหมเมื่อผู้ได้เจ้ายังมีหลายปาง ฟางใครฟังมันเท่านั้นไหว้าปางของกันและกันไม่ได้นั่นไปอย่างนั้นอีกเราเกิดวันอังคารเราก็ต้องไหว้วันอังคารเราจะไปไหว้ปังของมันพูดไม่ได้เดี๋ยวอุบาทเดี๋ยวมีเข้อเอาความหมายของพระพุทธเจ้าไปกําหนดในความเป็นเข้อดีเข้อร้ายไว้อย่างนั้นแล้วเรามีที่ยึดเพิ่มอีกมากมายนอกจากพระพุทธเจ้าคืออะไร เรื่องรางวัตถุมงคลของปูกเศษรูปเลี้ยนผู้บงผู้บาอาจารย์เจ้าปู่เจ้าย่าเทพเทวดาพญาศรีสุโธนัคราชอออกชื่ออย่างนี้พญาศรีสุโธจะมาเอาเรื่องหรือเปล่าพญาศรีสุโธจะมาฟ้องเราหรือเปล่าก็ี่พญาศรีสุโธนัคราชอันนี้ออกชื่อท่านตรงตรงเลยนะพลาดพิ้งท่านไปเลยนะแต่กฎหมายเขาไม่ได้ มีห้ามไว้ว่าห้ามพาดทีถึงพวกหน้าพวกเพราหรเปาเราพูดถึงแค่เฉยหลยเอาอะไรเป็นที่พ่งมากมายมันดูแยะๆเรากําลังย้อนกลับไปสู่ยุคของพระโหเทวนิยมและเป็นยุคของอานารายชนชนที่ไม่มีความเจริญอะไรเลยเข้าใจไหมทั้งทั้งที่ยุคสมัยนี้จเจริญไหมในเรื่องของโลกการเรียนรูก้การศึกษาวิทยาศาสตร์ จเจริญแล้วมีเหตุมีผลรองรับทุกอย่างแต่เรากำลังย้อนเข้าไปสู่ยุคของอนออาลยชนชนที่อยู่นิ่มยุคที่ไม่มีการศึกษาอะไรเลยเหมือนกับว่าเรียนจบมาก็ไม่ได้มีรูความรู้อะไรเลยนีม่มีปัญญาอะไรเลยพอที่จะสอนให้เราแก้แกะถูกผิดบีชั่วที่จะพึ่งพาตัวเองไปล่าาลังวันนี้น่าพ่อสีสุดโต้ เปิบุญตีต้องแเต่งต้องเต่งต้องเต่งพระอาทิตย์ทรงกดก็โอ้โหสะจังทรงกดอีกแล้วตามหลักยาศาสตร์เขาทรงกดทําไมพระาทิตอ่ะนะพระอาทิตย์นะทรงกดทําไมเป็นเพราะเขาปลูกเสรองขังเลยหรือเป็นพา ร, รา่าพ่อศรีสุโธโผลมาแล้วมันเลื่อทรงกดเด็กหมอก็ปรากฏการณ์ธรรมชาติก็ปรากฏการณ์ธรรมชาติมันคืออะไรเล่าเด็กหมอ ก็เกี่ยวกับเมฆกับบอกระเกี่ยวกับแสงแดดถ้าอาทิตย์มันเต็มดวงมันก็ทรงกดความเป็นมนทอนของมันความเป็นดวงของมันก็แค่นั้นเมื่อวานยังทรงอยู่ไอ้พวกชาติมันยังทรงอยู่วันนี้ทรงกดจ้าเลยเมื่านนี้อยู่บนนี้ก็ที่นี่ก็ไม่ได้เห็นทำอะไรไงก็ทรงกดก็ทำอะไรก็ทรงกด ทำไมพวกเราอยากจะย้อนเข้าไปอยู่ยุคไม่มีความเจริญเลยเหรออาณารักชนไม่อยากจะเจริญเลยเหรอหากย้อนเข้าไปอยู่ยุคความไม่เจริญเป็นอนณารักชนก็เท่ากับว่าเรากําลังเดินไปสู่ความเสื่อมคือพูดถึงโดยรวมนะคําว่าเราคือเราความเป็นพืชศาสนาเรากาลังเดินไปสู่ความเสื่อมเสื่อมนั้นคือเรียกอะไรอบายใช่ไหมอาบายคือความเสื่อมใช่ไหมสบายคือความเจริญใช่ไหม สบายทำทำแบบเราเนี่ยทำแบบที่ที่สอนไปเนี่ยสบายไหมไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์องค์เดียวใช่ไหมไม่ต้องไหว้ผีไหว้เทวดาไหว้คมไหว้นาคไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่นี้ไม่ขี้เกียจไปไหว้นะเบื่อแล้วคนนั้นอ่ะไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วการไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ยุ่งยากไหมต้องจุดธูปจุดเทียนกาบไหว้ไหมต้องมีดอกไม้บูชาไหมไม่ทำยังไงระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แล้วกาบไหว้ตรงนั้นเลย จบเสร็จง่ายๆอยู่ที่ไหนก็กราบได้อยู่ที่ไหนก็ไหว้ได้ไม่ต้องเหมาลบเหมาลาไปไม่ต้องไปแต่งขันดอกไม้เส้นสวมเส้นไหว้บูชาอะไรให้มากาปขนาดนั้นนี่คือยุคของพูดถึงความเจริญใช่ไหมเจริญแล้วมันสบายใช่ไหมสิ่งที่เจริญจะทําให้คนสบายใช่ไหมเราจะไปเชียงเชียงรายในเข้าไปในเวียงเนี้ยเวียงเชียงรายเนี้ยเขามีรถเขามีรถให้ขี่ เราบอกเราไม่ขี่เราจะย้อนไป ย, ยุคอนาลาชนทุนนี้ไม่มีความเจริญเราจะขี่เกวียนไปเอาไหมอย่างนั้นอ่ะไปเอาเอาไปทํามันไม่เจริญที่คําว่าเจริญคือมันให้ความสบายมันแล้วก็ขี่รถไปที่หรืออยากจะเดินไปเขาให้ความสบายความเจริญคือสิ่งที่สร้างให้เกิดความสบายเขาจะเขาเรียกว่าอารยชนชนที่ผูกเข้าถึงความเจริญคือสร้างความสบายให้กับตัวเอง ทั้งสบายทางล่างทังร่างกายกภายนอกและทางจิตวิญญาณคือภายในไม่ใช่ความยุ่งยากพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ที่เปลี่ยนจากอนารยชนชนที่ยุ่งยากทางจิตใจให้เกิดความสบายทาง จ, จิตใจเรียกว่าสอนเส้นทางแห่งอิสรภาพทางจิตใจให้เขาถึงความสบายให้ไปรู้จักธรรมชาติอันเป็นที่สบายแห่งใจว่าธรรมชาติอันเป็นที่สบายแห่งใจคืออะไรคือการปล่อยวางในสิ่งที่ยึดถือผิดทั้งปวง แม้ในชั้นระบบวันนะชั้นระบบถือเทพเจ้าชั้นระบบถืออะไรจารีตประเพณีที่ผิดๆความเป็นมนตทินการล้างบาปในแม่น้าโขคาไม่ให้ไปทําอะไรให้มันยุ่งยากขนาดนั้นพระก็ล้างมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดด้วยสมาธิทิฏฐิล้างมิจฉาสังกับปากความคิดที่ผิดด้วยความคิดที่ถูกด้วยสา ม, มาสังกับปาก ล้างสัมมาวาจาทำพูดที่ผิดล้างวิชชาวาจาทำพูดที่ผิดผิดด้วยสัมมาวาจาล้างการกระทําที่ผิดคือมวิชากัมมันต์ด้วยสัมมากัมมันต์ล้างใช่ไหมล่ะนี่คือล้างบาปล้างสัมมาวายามะความพยายามที่ผิดล้างวิชบายามะความพยายามที่ผิดด้วยสัมมายามะความพยายามที่ถูกล้างสติที่ผิดคือวิชสติด้วยสัมมาสติคือล้างออกไป ด้วยสติที่ถูกล้างวิชาสมาธิสมาธิที่ผิดด้วยสมาสมาธินี่คือการล้างบาปไม่ใช่ไปอาบน้ําล้างบาปในแม่น้ำโขงหาอันนั้นเป็นอนาลาชนชนที่ไม่มีความเจริญไม่ได้สร้างความสบายให้แก่ตนเองใช่มหมหละกนี่คือหลักคําสอนสอนให้เราอยู่สบายทําอะไรให้มันสบายจะเกิดอยู่เป็นคนชั้นชนชั้นไหนก็ตามยาจกขอทาน คนพี่คงที่การคนกลางคนคนเศรษฐีมหาเศรษฐีเ จ, จ้าฟ้ามหากษัตริย์หากมาเรียนรู้หลักคําสอนแล้วจะสร้างความสบายให้กับตัวเองได้ในที่ที่ตัวเองเป็นฐานะตัวเองอยู่มีความสบายเสมเอภาคกันใช่ไหมครับสุปาพพูดทางโลกเลือนขอทานเขากินไปวันๆเข้าถึงความเป็นโสดาบันแล้วสบา้สบายไม่กินข้าวก็สบายขอทานได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามก็ไม่ได้ทุกใจ ก่อนที่จะมารู้จักำคำคําสอนของผู้ได้เจ้ากดคิดทุกข์ใจอยู่นั่นแหละว่าวันนี้กูจะได้กินอาหารไหม่นาะวันนี้กูจะได้ขอทานได้จากใครไหมเนาะไปขอบ้านนี้เขาจะไล่กูหนีหรือเปล่านาะไปขอบ้านนี้เขาจะเมตตากูหรือเปล่านาะคิดยุ่งยากอยู่นั่นแนหะเดือดร้อนอยู่ในใจแต่พอเป็นวโสดรบันแล้วเขาจะให้ก็ตามไม่ให้ก็ตามกูจะเดินถือขอไปอย่างนี้แหละให้ก็ได้กินไม่ให้ก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาโลกนี้ชีวิตความเป็นอยู่อดบ้างกินบ้างก็ทำกันไปก็อยู่กันไป ตายไหมพอตายตายก็ไปเรื่องปกติพอตายไปเรื่องธรรมดาไม่มีใครที่ไม่ตายก็แค่นี้เดี๋ยวไสบายไห ม, ไมสบาย <laughs> นี่คือ อ, รอารยชนไม่ต้องไปไหว้ตามไหว้เส้นสวงเส้นไหว้ไหวนั่นไหวนี่ไหวไปสารพัดที่จะไหวคําถามมา พีชาล่ะปีชาเรื่องเรื่องเรื่องอันนี้พูดไปถึงเรื่องนี้ได้ยังไงบอกรเรื่องดินน้ำไฟลมมาลหมดแล้วฮะมามาปสีงกัน้กันได้ยังไงมันียังไปเรื่องแคไหนวะคนโเขาโผดยังของตัวเองเลยมีอะไรดึงใจให้ไปพูดหรือเปล่าน้ออจไปเข้ามดังาย เอาเรื่องคำถามถามว่ากับนมัสการขอถามครับเป็นพระมั้งเนี่เป็นโยมถ้าเป็นพระก็นมัสการตอบนะถ้าเป็นโยมก็ขอเจริญพรพระโกนคิ้วผิดวินัยไหมครับเอาพระโกนคิ้วผิดวินัยไหมฮะเดี๋ยวนะ ม, มีแต่ว่ า, ะาวฮะไม่ให้กน อ่าไม่ให้โกนขนในที่แคบผิวเป็นที่แคบไหมฮะอันตรายอยู่กัสายตาไม่คิ้วที่แคบหรือเปล่าถามก่อนแคบมมันนก็ไ่อที่แคบคือนี่นี่แคบเนี่ยนั่นก็แคบตรงเนี้ยแคบตรงก้นน้องก็แคบนี่แคบอันเนี้ยเขาไม่ได้เรียกป็นที่แคบ ถ้าบอกอันนี้ที่แคบอันนี้ก็ต้องมีที่แคบด้วยใช่ไหมนี่ก็คือที่แคบเขาบอกว่าตรงนี้แคบตรวนี้ก็ต้องแคบห้ามโกนขนในที่แคบเพราะฉะนั้นคิ้วไม่ใช่ที่แคบโกนผิดไหมไม่ผิดเพราะไม่ใช่ที่แคบแต่มีพระบัญญัติให้โกนคิ้วไหมไม่มีมีแต่บอกให้โกนหวดใช่ไห ม, ไมโกนเคลาใช่ไห ม, ไ, มไอ้ตัวเนี้บอกให้โกลไหม ผู้ที่ประสงค์จะบรรพชาประสงสมบทพึงปรงผมและหนวดนุ่งผมผ้ากาสายะเข้าไปหาพระอุปชาใช่ไหมได้บอกให้โกนคิ้วไหมแล้วทำไมได้โกนคิ้วทุกวันนี้แล้วถ้าไม่โกนคิ้วผิดไหมไม่ผิดโกนคิ้วผิดไหมไม่ผิดไม่มีข้อห้ามไม่มีข้ออนุญาตจะโกนก็ได้ไม่โกนก็ได้ถูกต้องไหมเออ ก็เลยตอบว่าพระโกนคิ้วไม่ผิดพระวินัยเอ๊ะถูกไหมถูกนะน่าจะถูกนะพระโกนคิ้วไม่ผิดพระวินัยพระไม่โกนคิ้วก็ไม่ผิดพระวินัยอย่าเอาการโกนหรือไม่โกนมาเป็นข้อเทียบเทียงพระจีนโกนไหม ไม่โกรเพราะเขาถือว่าผู้บวชคือปองผมและหนวดเท่านั้นปองผมและหนวดเขาก็ไม่โกรคิวเพราะไม่ได้บอกให้โกนธถ้าไทยโกนเพราะว่ามีเหตุใช่ไหมเหตุคืออะไรพระราชาขอร้องให้โกนเพราะว่ามีผู้มีพระมาปลอมมาบวชแบบมีนเป็นอะไรแบบเป็นทาหารพระมาเป็นไส้ศึกมาบวชเป็นพระเพื่อ หาข่าวในกรุงศรียุทธยา<ม>ก็เลยถูกจับได้พระราชาในกรุงศรีในยุคนั้นก็บอกว่าขอให้พิสูจน์สงฆ์ทั้งหลายโกลคิ้วจะได้แยกออกว่าเป็นพระไทยหรือพระพม่าพราะ<ม>แยกออ ก, ก, กผู้ก่อนพระไทยก็โกลคิ้วกันหมดพระพม่าก็มีตกนเพราะเขาถือการมีโกลคิ้วที่พมา่าเลยได้จับพระพม่าไปสอบสวนใครเป็นไส้ศึกที่มาหาข่าวในกรุงศรี ไทยก็เลยคนคิวตั้งแต่ได้นมาจบหมดแล้วไม่มีคำถามก็ไม่มีเรื่องพูด ที่ฟังเมื่อกี้แล้วคนอย่างพว ก, พว ก, พวกที่จเจริญทางด้านวัตถุแบบว่าไม่มีมมาศาสนาครับเหมือนทุกวันวนีพวกสเปนพวกพวกนี้เนี่ยเขาว่าถ้าเปินคนในประเทศกัลกูเขาจะบอกเขาไม่มีาศาสนาถึงแม้ว่ า, าศาสนาประจําชาติก็คือาศาสนาคริสต์แต่เขาก็จะบอกว่าไม่มีาศาสนาไม่มีพระเจ้าไม่ไปโบสถ์ม่อะไรอย่างนี้ครับหรือว่าญี่ปุ่นอย่างนี้ครับก็ไม่มีาศาสนาอเลยนะครับแล้วคนแบบนี้เนี่ยคือไม่มีพระเจ้าหลายองค์จอยู่ในหมวด แล้วก็ ม, มีประเจ้าคนเดียวเลยจะอยู่ในหมวดไหนครับอันนี้บวชอยู่ในเขาจัดอยู่ในหมวดของพวกพวกทิฏฐินะพวกทิฏฐิที่เรียก ว, ว่าเป็นผู้เรียววกโพบอกว่าบุคคลบางจําพวกแม้ในขณะที่ม่มีพุทธศาสนาเลยในโลกนี้บุคคลที่เป็นสมาธิทิฏฐิบางจําพวกไม่ยึดพื้ศาสนาไหนแต่ตั้งทิฏฐิไว้ว่านะกรรมดีมีกรรมชั่วมี เราเพิ่งกระทากรรมดีเพื่อผู้ปฏิบัติดีก็เรียกเป็นพวกกรร ม, มาวาทะยึดถือกรรมผลของกรรมเป็นหลักไม่นับถือศาสนาไหนแต่ยึดถือการกระทําว่าเราทำดีแล้วก็ดีเองเราไม่จะต้องให้ใครมาบรนดาลความดีกับเราไม่ต้องเป็นต้องมีพระเจ้าอันนี้พวกนี้จัดอยู่ในกรร ม, มาวาทะและอีกยังพวกหนึ่งคืออักกรร ม, มาวาทะคือไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมมันจะมีสองยงพวกที่ไม่นับถือศาสนาหนึ่งเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมสองไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรม ไม่มีใครบัญญารีพีทของเราเลยใหญ่ทำอะไรก็ทําตามเสรีภาพทําชั่วก็เรื่องของเราอย่างเงี้ยอะไรคือมีสอนกองพวกพวกนี้จัดอยู่ในทิฏฐิคือทุกศาสนานี้ไม่พ้นจากทิฏฐิพุทธศาสนาก็ตกอยู่ในทิฏฐิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิิมันจะเป็นสมาลึกทิ่ฉาเท่านั้นเองศาสนาทุกศาสนาในโลกเนี้ยจะเป็นสมาธิทิหรือมิฉาทิฏฐิ อพยยากัตตาทิถีไม่มีทิฐิกลางๆไม่มีมันไม่มียังไม่เคยเจอจะต้องแต่แต่ก็มีทิถิอันใดอันหนึ่งอยู่แล้วถึงไม่เชื่อพระเจ้าและไม่เชื่อศาสนาไหนแต่ต้องมีอันที่เชื่ออยู่ในใจคือทิฐีนั่นเองความเชื่อนะั่นแหละต้องมีอันที่เชื่ออยู่ในใจสักอย่าง üy üyor, อันที่เชื่ออยู่ในใจก็เป็นศาสนาของเขาเองก็คือศาสนาอันหนึ่งที่เขาสามารถบัญญัติขึ้นมาเองได้เขาเชื่อว่าอย่างนั้น ชีวิตเขาไม่ขึ้นตรงต่อพระเจ้าใดๆเขาก็เชื่อว่าอย่างนั้นเขาบัญญัติอย่างนั้นเพ่อผู้ได้เจ้าบอกว่าใครจะบัญญัติอะไรต่างๆที่จะเป็นเครื่องการดำเนินชีพในโลกนี้ก็บัญญัติไปจากความเห็นในทิฏฐิกรรมวาร า, ากับอักรรมวารธาวาราที่ว่าด้วยเรื่องของกรรมกับไม่ได้ว่าด้วยเรื่องกรรมแค่นั้นเองพุทธศาสนาจัดอยู่ในกรรมวาราวาร า, าที่ว่าด้วยเรื่องของกรรมแต่เป็นวาราที่เป็นสมาธิถี่ในยุค ข, ของ ไม่มีพูทธศาสนาเลยในโลกพู้เเจ้าเป็นพรามชื่อว่าอรารักกตตั้งตนเองเป็นศาสดาเลยเป็นผู้กล่าวสอนศาสนาเลยเรียกว่าอรารักกศาสดาสั่งสอนให้สาวกทั้งหลายเชื่อกรรมดีเว้นกรรมชั่วชาตินี้มีชาติหน้ามีสอนเองเลยตั้งตนเป็นพระศา ส, าสดาเลยไม่ถือศาสนาไหนในเวลานั้นแต่ไม่สามารถตั้งพุทธศาสนาได้เพราะยังไม่สำเร็จสามาสัมโพธิญาณเป็นคนที่สัตว์อยู่ คนที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วไม่นับถือศาสนาไหนก็มีนะมีจัดอยู่ในพุทธไม่มันไม่สามารถจัดอยู่ในพุทธเพราะจัดอยู่ในถ้าถ้าเป็นพุทธศาสนาที่แท้จริงนะต้องประกาศตนเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจึงจะเป็นพุทธศาสนาลําพังแค่การให้ทานรักษาศีนี่ยังไม่ชื่อว่าเป็นพุทธการประกาศตนเองให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงจะชื่อว่าเป็นพุทธหมายถึงว่าต้องศรัทธาย่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วย เขาแสาดงว่าผู้จะผูกขาดการนับถือเรื่องใส่ศรัทธาอย่างนั้นเลยหมายถึงว่าถ้าไม่ศรัทธาพระองค์แม้จะปฏิบัติตามหลักคําสอนอยังไงก็ตามก็เป็นพุทธไม่ได้เลยผท้เจ้าบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่ว่าบุคคลประพฤติในหลักคําสอนของพระทตองค์แล้วจะไม่มีการเข้าถึงพระองค์เป็นสาลาฮะพวกมันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่วิสัยมันจะขัดแย้งกันมันต้องลงรอยกันหมายถึงว่าหลักคําสอนที่ปฏิบัติจะต้องลงรอยกับการที่ยึดถือพระโตอง เป็นสารณะที่เรียกว่าต้องยึดเหนี่ยวคือต้องไปต้องเห็นนะ่ะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระทธองค์แต่ว่าการประพฤติปฏิบัติใดๆก็ตามที่ยังเข้าไปวิ่งเห็นพระองค์ก็แสดงว่ายังไม่ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแค่เป็นผู้ประกาศตนเลื่อมใสอาจจะยังไม่ใช่ชาวพุทธแค่เลื่อมใสในพุทธาศาสนาอื่นที่เขาเลื่อมใสในพุทธก็มีนะแต่เขายังไม่ประกาศตัวเองมาเป็นพุทธศาสนาก็มีเขาเลื่อมใสในพุทธเจ้าคําพูดการ สันชัยปริพาชก็เลื่อมใสในพระเจ้าสัจจการที่คนก็เลื่อมใสในพระเจ้าแต่ไม่ประกาศตัวเองเป็นพุทธเห็น ไ, ไหมเขาเลื่อมใสดีอยู่เขาเชื่อว่าคําสอนพระเจ้านี่เป็นประโยชน์สามารถเข้าถึงผลได้จริงแต่ไม่ยอมบวชด้วยไม่ยอมศึกษาไม่ยอมเข้าไปปฏิบัติเพราะอะไรเพราะไม่ไม่เป็นลูกศิษย์ไทยอีกแล้วตัวเองเป็นอาจารย์แล้วเราเป็นาศาสดาแล้วเนี่ยแหละพวกทิฏฐิเจ้าของเจ้าคณะทิฏฐิพวกเป็นหัวหน้าพวก เป็นอาจารย์สอนคนเนี่ยทิฏฐิเจ้าคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ยอมเป็นลูกศิษย์ใครมันมีแต่จะเป็นอาจารย์สอนคนต่อไปเรื่อยๆสอนผิดก็จะสอนทิฏฐิพวกนี้รุนแรงเป็นทิฏฐิชั้นที่เรียกว่าอาตารย์ทิฏฐิอย่างอย่างแรงกล้าเลยนะมานะทิฐิอย่างแรงกล้าเล ย, นะ ถ, ย, เลยถือต้นถือตัวอย่างมากาพระพุทธเจ้าก็เอาไม่ลงปราบทิฏฐิไม่ลงคนนี้กระด้าง น, นั่นย้อนกลับมากระด้าง น, นะ จิตมันไม่อ่อนต่อหลักคาสอนเชื่อเข้าใจว่าผู้อบกสอนดีแต่ไม่อ่อนต่อหลักคําสอนกระด้างต่อหลักคําสอนก็ไปตามขับสอนไม่ได้เจริญในหลักคําสอนไม่ได้เห็นพระริยสงสาวกทั้งหลายบรรลุบรรลุบรรลุบรรลุก็โอบ ร, บรรลุไปอีกแล้วนะบรรลุไปอีกแล้วนะแต่ตัวเองไม่ไปปฏิบัติตามทันทีก็ไม่บรรลุอุปกาชีวกครั้งแรกเจอพุทธองค์ก็ไม่เชื่อในพุทธองค์แต่รู้สึกเลื่อมใสอยู่แต่ไม่เชื่อภายหลัง ไปปฏิบัติตามรักที่ตัวเองไปไม่รอดก็วกกลับมาหาพุทธองค์พอวกกลับมาหาพุทธองค์ก็มาฟังคําสอนพุทองค์จนได้เป็นโสตบัญก็ขอบวชอ้อมก็ปฏิบัติตอ่อไปอีกไดเป็นโสตบัญไม่ใช่ได้เป็นอรหรัน <c oughs> การปฏิบัติเข้าถึงหลักคำสอนจึงชื่อว่าเป็นพุทธสาวโบหรือพุทธศาสนาแต่ถ้าหากปฏิบัติไม่เข้าถึงหลักคําสอนได้แค่เป็นผู้เลื่อมใสได้แค่เลื่อมใสเลื่อมใสว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระอารหรันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยองค์เองเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ฝึกบุรุดผู้สมคนฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้มีวิชาในจารณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้จําแนกแก่คํามเรื่องใสยอย่างนี้พอเรื่องใสยอย่างนี้ก็ได้แค่กล่าวสวดเรื่องใสอีตีปิโซพระกบาอยู่นั่นแหละแต่ไม่ประพฤติตนเองให้เข้าถึงก็สวดเรื่องใสาบางทีก็สวดเรื่อมใสพุทธเจ้าบ้างบางทีก็สวดเรื่อมใสพรหมบ้างคือไหว้พระพรหมบ้างสวดเรื่อมใสเทวดาบ้างไหว้เทวดาบ้างสวดเรื่องใสสักการะอย่างอื่นอีกบ้างจะเข้าไปอยู่เรื่องเดิมอีกแล้วน ใหเลือกเลือมไสแต่ละลึกหลายอย่างมีที่เเรือมใสหลายที่ไม่ใช่เเรือมใส่ในอันเดียวแต่คนที่เข้าถึงผู้ได้เจ้าพระนมพระสงค์แล้วยึดเดียวเท่านั้นอันเดียวเท่านั้นที่พึ่งหนึ่งเดียวเพราะมันเป็นปฎเกณฑ์ตายตัวว่าเมื่อปฏิบัติเข้าถึงคําสอนจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เคารพในภาษาสาดาเป็นไปไม่ได้จะมาจากศาสนาไหนก็ตามหามาประพฤติแล้วเข้าถึงหลักคําสอนจริง จะต้องเคารพพระพุทธเจ้าจะไม่พูดพุทธเจ้าไปในรูปแบบอื่นจะใช้คําพูดในลักษณะยัางเกรงและเคารพอย่างแรงกล้าเท่านั้นสุนัขตาลิชวีมาบวชกับพระพุทธเจ้าครั้งแร ก, กเขเลื่อมใสพระองค์อย่างแรงกล้าเหมือนกันนะเลื่อมใสยอย่างแรงกล้าประพฤติปฏิบัติทำไปแล้วไม่เข้าท่าเข้าทีสุดท้ายก็ กล่าวลาสิกขากับพุทธองค์พอกล่าวลาสิกขากับพุทธองค์ก็ไปกล่าวกับพวกพราหมทั้งหลายว่าโอ้โหบวชกับพระพุทธเจ้าไปเห็นมีอะไรดีขึ้นนะปฏิบัติตามพุทธองค์ทุกอย่างแล้วไ่เห็นมีอะไรดีขึ้นไปเห็นไอ้พวกนั่งนอนบนน้ําหน้าหน้าเริ่มใสมากกว่าไปเห็นไอ้พวกเปลือยผ้าเปลือยกายหน้าเรื่มใสมากกว่าก็เลยศึกไปอยู่กับพวกนั้นผยูพวกที่เรื่องใสตอนแรกก็เริ่มงใสพระพุทธเจ้า แต่ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่ดีเขาว่าอย่างนี้นะเป็นคําสอนที่ได้ผลในการปฏิบัติอยู่แต่ว่าปฏิบัติแล้วไม่ ไ, มได้อะไรอย่าเงี้ยไม่ได้อะไรก็เลยไม่ปฏิบัติแล้วไงส่วนคาตาที่เฉี่ยโอเคเนี้ยแสดงว่าไม่ได้เข้าถึงจริงปฏิบัติเข้าไปไม่ถึงจริงพอปฏิบัติเข้าไปไม่ถึงจริงก็เปลี่ยนเปลี่ยนคําสอนเปลี่ยนาศาสนาเปลี่ยนเปลี่ยนผู้นับถือเปลี่ยนผู้เลื่มใส พระเจ้าจึงบอกว่าผู้ใดเห็นทำผู้นั้นเห็นเรานั่นหมายถึงว่าบุคคลใดก็ตามจะเป็นชาวพุทธแม่แต่เดิมหรือไม่ใช่ชาวพุทธแม่แต่เดิมพอมาปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้แม้ไม่รู้ว่าเป็นคําสอนของพระเจ้าก็ตามพอปฏิบัติตามแล้วปุ๊บเข้าถึงทำปับ๊บจะประกาศความเลื่องใสในพระเจ้าทันทีเลยว่าบุคคลผู้กล่าวทำเช่นนี้บุคคลนั้นต้องเป็นอรหันต์ัตสมาสมพุท ธ, ธเท่านั้นถึงสามารถตัดถึงทำชนิดนี้ได้กล่าวบอกทำชนิดนี้ได้ก็จะรู้ทันทีเลย ละจะเลื่อมใสผู้รัน้นทันทีผู้เดียวแม้แต่ผูอ้อมไม่มีไม่สองข้อชนอยู่ก็ตามจากไม่เลื่อมใสอย่างอื่นอีกนอกเหนือจากพระเจ้าประทังพระสงฆแม้จะไม่เคยเห็นผู้องค์แม้จะไม่เคยพบแม้จะไม่เคยสัมผัสทางไหนๆก็ตามแต่ยึดถือคําสอนว่าคําสอนของท่านผู้เก่าวคําสอนเนี่ยผู้สอนคําสอนเนี่ยผู้เป็นภาษาสระที่สอนคําสอนเนี่ยเป็นผู้ที่สุดยอดที่สุดจะรู้ชัดและจะให้ความเคารพอย่างแรงกล้าไม่ยึดถือที่พึ่งอื่นอีก แม้จะมีใครมีกระแสแห่งการยึดถือที่พิ่มที่อยู่ในโลกนี้มากมายแค่ไหนก็ตามก็จะมียึดถือมั่นใจมั่นคงอ ย, อย่างนี้นตลอดสิ้นชีวิตโน่นเขต้องเอกไปถึงขนาดนั้นเลยมันไม่ใช่การผูกขาดว่าจะต้องมานับถือพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่แม้วงจะบอกให้มานับถือพระองค์แต่คนที่มานับถือไม่ปฏิบัติตมันเข้าไปเข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้เมื่อเข้าไปถึงพระองค์ไม่ได้ก็ยังแค่เป็นผู้เลื่อมใส ย, ยังเป็นคนนอกศาสนาอยู่ แล้วคนนอกาศาสนาในพุทธศาสนานี่เยอะนอกาศาสนาในพุทธนี่นะคือเป็นพุทธโดยกําเนิดโดยทะเบียนบ้านนี่แหละแต่ประพฤตธตนเองเป็นผู้อยู่นอกาศาสนาดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นบุคคลผู้พระพุทธอยู่นอกาศาสนาก็ประพฤทธอยู่นอกหลักคําสอนหลักคําสอนสอนบอกอย่างนี้แต่ประพฤติประพฤติไปอย่างนั้นไม่อยู่ในหลักคําสอน่ก็คือนอกาศาสนาไม่อยู่ในาศาสนาเนี่ยถ้านอกาศาสนาก็ จเจริญพอกงามในคำสอนไม่ได้หวังจะเอาความดีในศาสนานี้พัฒนาตนเองไม่ได้ไม่ไไมจเจริญจะเอาประโยชน์จากศาสนานี้ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ประโยชน์ไม่จเจริญจบจากโยมไยบุญ อนนัมพนันเจริญพรโยงไผบุญบางสำนักเป็นคำถามเขาถามเข้ามานะว่าบางสำนักเขาจะใช้คำสอนว่าไม่มองใครผิดไม่มองใครถูกแบบนี้เป็นการสอนที่ถูกหรือไม่ครับขอบกราบนรัมสการก็ดีมากไม่มองใครผิดไม่มองใครถูกเขาเรียกว่าก้าวก้าวล่วงความผิดความถูกไปเสียคนที่ก้าวล่วงความผิดความถูกไปได้จะพัฒนาจิตใจไปได้ง่ายมาก แต่ไม่ใช่ว่าไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรนะรู้แต่ก้าร่วมความผิดความถูกไปได้มันแต่คนที่พัฟฝึกตัวเองอยู่เนี่ยจะต้องก้าร่วมความผิดความถูกให้ได้อย่าไปติดอยู่กับว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกผู้นั้นผิดผู้นั้นถูกอย่าไปติดแต่หากเข้าไปถึงที่สุดแล้วคือเข้าไปรู้อะไรในหลักคําสอนแล้วต้องมาเป็นผู้ชี้ถูกชี้ผิดให้คนอื่นได้รู้ได้เรียนรู้เขาใช่ไหมชี้ให้คนอื่นรู้ถูกรู้ผิดแต่ต้องสอนด้วยว่ายอย่า มองถูกมองผิดในตัวบคุคคลอื่นแต่ให้มองถูกมองผิดในตัวเราเราถูกหรือผิดเนี่ยไปได้เป็นคําสอนที่ดีเป็นคําสอนที่ถูกต้องถ้าอนุโมทนาใช่อันนี้ถูกไม่ใช่ว่าอย่าไปสนใจเลยถูกผิดใครจะถูกจะผิดไม่ต้องไปสนใจแล้วเราไม่เรียนรู้อะไรถูกอะไรผิดเลยไม่ใช่นะต้องรู้ด้วย รู้ว่าถูกเป็นยังไงรู้ว่าผิดผิดเป็นยังไงหมายถึงว่าเห็นสิ่งที่ผิดแล้วก็เข้าไปเรียนรู้ในสิ่งผิดที่คนนั้นทาว่าผิดเพราะอะไรผิดยังไงผิดแบบไหนผิดจริงแค่ไหนเรียนรู้แล้วก็จะเอามาฝึกฝนตัวเองที่จะไม่ให้ผิดอย่างนั้นเห็นคนนั้นทําถูกถูกแบบไหนถูกยังไงถูกกับลักธรรสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าบางอย่างดูเหมือนถูกแต่ดูไปดูมา ก, ก็ไม่ถูกก็มี ไล่เช็ดูได้เช็รู้ออกกรู้ทีเนี่ยรู้ผิดรู้ถูกแล้วก็เอาถูกผิดนั้นมาเพ่งตัวเองมามองตัวเองคนนั้นจะพัฒนาตัวเองไปได้ง่ายก้าวข้ามถูกผิดในภายนอกจะไปได้ดีและถึงที่สุดแห่งทุกได้โดยง่ายหมดขอถามอีกอ่างอ่ะได้ พรื่องที่ว่าการเป็นอุบาสกอุบาสิการครับละครนี้เนี่ยมันจะมีประมาณละอาชีพที่อุบาสกอุบาสิกามิควรทำไม่ควรทำแน่เสกเรื่องของการค้าขายน้ำเมาครับแล้วถ้าเกิดทุกคนเป็นพนักงานอย่าพนักงานเซเว่นหรือว่าคือไม่ได้เป็นเจ้าของโดยตรงหือเป็นพนัก ง, งานเสิร์ฟร้านอาหารแต่ว่าร้านก็มีแอบกอฮอลนีครับจะถืออุบาสกคนนจะหลุด จ, จ, จ, จากนัน้นเป็นอุบาสกอุบาสิกาไหครับ หมายถึงว่ายังไม่เข้าถึงคุณธรรมยังหรือเข้าถึงแล้วก็คือก็คือประกาศตนเองเป็นอุบาสกปฏิการเป็นนะครับผมเกษตรจรานี้แต่ว่าตัวเองงานทํางานในที่ที่มันมีการค้าขายน้ำเมาครับผมจะหลุดไหมครับหลุอจากความเป็นอุบาสกปฏิการโทอใช่ไหมครับโทษอ๋อคุณสมบัติของพรเป็นอุบาสกปฏิการไม่หลุดอันเพราะว่าไม่มีเจตนา ไม่ม็นเจตนาของตนเองเป็นเจตนาของผู้เป็นเจ้าของเจตนาของผู้เป็นเจ้าของนั้นสั่งมาขายเราไม่ได้สั่งมาขายลูกน้องไม่ได้สั่งมาขายลูกน้องทําหน้าที่ตามคําสั่งของผู้เป็นเจ้านายเขาทําตามหน้าที่ของผู้เป็นเจ้านายเขาไม่ได้ทําด้วยเจตนาของตนเองเขาไม่ได้ทําด้วยความเป็นเจ้าของเขาก็พ้นผิดในส่วนนั้นแต่ถ้าไปยินดีว่า เราได้ขายสุราให้คนโอ้วันนี้ได้ขายสุราได้ขายดีไว้โดยเฉพาะงานเทศกาลได้ขายดีไปยินดีว่าได้ขายดียอดขายขึ้นเราก็จะได้กำเราจะได้ค่า ย, ยอดขายอันนั้นพีดแน่นอนและแน่นอนว่าผู้เป็นอุบาสกก็มีควายิน ด, ดีที่จะทำอย่างนั้นอุบาสิกาทั้งหลายก็ไมีความยิน ด, ดีที่จะทำอย่างนั้นแต่ถ้าทําไปเพราะอานาจหน้าที่ที่เจ้านายสั่งมาก็ทําตามหน้าที่บาปก็จะตกอยู่ที่เจ้านาย ไ ม, ไม่บาปด้วยเช่นเดียวกันไม่บาปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งของอุบาสกที่ว่าไม่ไปทําบุญนอกใช่นอกศาสนาเนี่ยครับไม่ทําบุญนอกเขตศาสนาไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวครับมีอะไรอีกเอามีอะไรอีกข้อนี้เอาไ ม, ไม่ทําบุญนอกเขตศาสนาไม่เชื่อมองคลตื่นข่าว เชื่อหลักทำบุญในเขตศาสนานี้ใช่ไหมทำบุญเฉพาะในเขตศาสนาอะไรอีกเนี่ยมันมีห้าเอมันมีข้อหนึ่งที่เราไม่สแสวงหาหลบด้วยล่าใช่ไห ม, ไมเจอไหมอาจเจอไหมไม่สแสวงหาราับด้วยล่ามไม่รู้สึกคุ้นครับผมไม่คุ้นเลยจะไม่ได้บอกว่าไม่มีนะครับแค่บอกไม่รู้สึกคุ้นครัเอ๊ะตมาคุ้นมาจากไหนวะ องคุณของอุบาศกนี่ละมั้งหรือคุณสมบัติของุบาศกนี่แหละหรืออะไรนาะเนี่ยครับอย่างอย่างกรณีกรณีของการเนี่ยครับนอกศาสนาเนี่ยแสดงว่าถ้าถ้าพระคุณเจ้าคูณนี้ถ้าเกิดว่าเช่นไปทำท ำ, ทำร้านไปเป็นลูกจา้างเขาแล้วนายจา้างบอกว่าเออเนี่ยเอาน้ําเด้งไปให้กูมารด้วยนะก่อนเลยร้านล้วก็แค่ทำแค่เออเจ้าลายสามาณอย่างนี้ก็ไม่หลุดในการใช่งไหมไม่ห <c oughs> ไม่บาดด้วย แต่แต่ไม่ใช่เอาไปแล้วไปยืนอธิษฐานอยู่นั่นนะคุู <c oughs> มันช่วยเราเอาน้าแดง ม, มาถวายช่วยบรรดันโชคเราอะไรรัเราด้วยนะอา น, านัน่ะฮิ <c oughs> ต อ, อีกเรื่องหึกเนยครับทำบุญนอกเพราะพุทธศาสนานี่ผมก็งงอยู่เหมือนกันครับอย่างถ้าเป็นกรณีของอเราทำบุญให้ก่าเหมือนกะับ ขินตะจับเขาจะมีการจัดเลี้ยงอาหารอแล้วเราก็แล้วเขามาเขาม า, เขามาเขามาเลี้ยไรแล้วเราก็เออก็เอาไปเลี้ยงเด็กกบะพุกัระพักเออก็ให้ไปสักร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยครับ เ, เรียอว่าพ่อพระุทศาสนานหครับเราก็ถือว่าหลุดนะครับอันนั้นไม่ได้นอกเองอันนั้นในพุทธอ น, นอกพุทธศาสนาหมายถึงว่าทาบุญกับผู้ครอ่อนอกคือคนคนนั้นก็อยู่ในศาสนาอื่นใช่ไหม ใช่ครับแต่เราอยู่ศาสนาพุทธแต่เห็นว่าเออก็ลองเปรียบเทียบว่านาที่มันแตกละแหง<ช>กับนาที่ดีเราจะหวานหวานข้าวลงในนาที่แตกระแหงหรือนาดีนาดีครับก็นั่นเลยหาไปวานวานอยู่ในนานั้ น, ม, นมันก็ไม่ได้ไรมากไมยนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะเกิดขึ้นอยู่บ้างเพราอมีฝนตกลงมาพรำๆก็ก็พอได้บ้างแต่ไม่ได้อะไรมากอย่างน้อยก็เป็นหญ้าให้วัวได้กิน มันไม่ได้ผลอะไรมากเลยแห่งแล้พระเจ้าจึงบอกว่าทําบุญในเขตของพุทศาสนาน้หาบังความจเจริญ น, นะแต่ถ้าไม่วังความจเจริญก็แล้จะมานับถือเป็นอุบาสกอุบาสิกาทาไมจะ <c oughs> ไม่หลับกออ็ <c oughs> พูดกันในแงน่นี้แต่ในในข้อนี้ผู้ได้เจ้าไม่เคยบังคับนะแต่ทูโองค์บอกให้เราพิจรารณาดูทุกอย่างจําไว้เลยว่าพ่อ ทำทุกอย่างที่พวงทรงตัดสอนเนี่ยไม่มีข้อไหนเป็นข้อบังคับในสิ่งที่พวงทรงสอนทั้งทำทั้งวินัยไม่ได้เฉพาะข้อบังคับพระองคทรงแสดงหลเราทำไว้เป็นการกลางเรามาเดินตามทางสายการเนี่ยเราสมัครใจที่จะมาเดินเราก็ต้องทําตามทางสายการนี้ให้ได้ด้วยตัวของเราเองหากทาไม่ได้เราก็หลุดจากทางสายการกแค่นั้นเองภิกษุบทามาต้องดําเนินอยู่ในสิขาบทสองร้อิเกียรติทำไม่ได้ก็ต้องออกจาก พอเป็นที่สูงก็แค่นั้นเององค์ไ ม, ไมร็วบังคับแต่ว่ามาเดินทางสายกลางก็ต้องเป็นไปตามหลักสายกลางมันทําอย่างอื่นผิดไปจากทางสายกลางนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักคําสอนนี้จึงเป็นคําสอนที่ตั้งอยู่ในโลกนี้แค่ชั่วคราวไม่ได้อยู่ตลอดไปชั่วคราวนะครบห้าพันปีก็หมดไปแล้วจากโลกนี้ นี่สองพันห้าร้อยหกสิบปีแล้วถ้าเป็นดวงตะวันก็ครึ่งหนึ่งแล้วเดินอะไรขครือมาถึงครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วค่อนๆลงไปจะตกแล้วจะเป็นบ่ายโมงแล้วมั้งบ่ายโมงแล้วถ้าเป็นดวงตะวันวนะนะเดี๋ยวก็ตะวันก็ตกรับฟ้าไปหมดห้าพันปีนีืออีกสองพันสี่ร้อยกว่าปี หมดแน่อยู่ได้ไม่นานทางสายการเส้นนี้เดี๋ยวก็เลือนรางไปคนไม่ค่อยจะเดินแลน้วไงก็เลือนรางไปเลือนลางไปเลือนลางไปคนก็ลืมแค่พลัตนาตายคนก็ลืมนะไปเข้าใจพลัตนาตายอย่างอื่นไม่ได้คข้าใจเข้าใจรัตนาตายโดยความเป็นพระรัตนาตายลืมทั้งหมดนะไปตีความหมายของพรลัตตนตายอยู่ในรูปแล้วก็ลบวัตถุของคนเครื่องรางปลกเสีเห็นไหมลืมทัหมดนะเดี๋ยวว่าเส้นทางเดินเลยเส้นทางเดินเลยยิ่งลืมกันไปใหญ่ เมื่อเดินไปถูกก็เป็นอริยเจ้าไม่ได้ทําไมถึงเดินกันไม่ถูกเพราะคนเราทั่วไปชํานาญในการเดินอยู่ในทางสองทางทางสองทางคืออะไรการมาสุขาลิการนโยม ก, กับอตัตกิรมถ า, านโยมอันนี้ชํานาญมากอะไรก็ตามที่ทําให้ตัวเองลาบากปล่านี่ชานาญอะไรก็ตามที่ทำให้ตัวเองนนอมหองมกบุญอยู่ในการนั้นนีออกจากวัฏฏะพุกไม่ได้ซ้ำชำนาญมากอะไรก็ตามที่เป็นทางสายการเดินกันไม่ค่อยเป็นเพราะเดินจะสองเส้นทางนี้มาจาชนชํานาญแล้ว ในพบชาติที่ผ่านมาหมายถึงว่าทําอะไรให้ตูกแกตัวเองไปเสียทั้งหมดนั่นแหละพวกนี้การมาสุขาวลือการโยกไอทำแล้วทําลงไปแล้วแม้ได้รับความถูกใจตัวเองได้ได้สมกับการที่ตัวการแล้วความไข่ความปรารถนาความรักไข่แล้วประโยชน์ที่เกิดจากการทําไม่ได้ก็ทําตัวเองให้ลำบากเปล่าเฉ ย, เฉยก็เป็นอัตตกกรีดมาถามนโยมอยู่แค่เนี้ยมนุษย์ไม่เคยเกินนอกรึไงนี้ ขอให้ถูกใจแต่ไม่มีประโยชน์ก็ลําบากป่างทำกันอย่างเต็มที่ทํากันอย่างจริงจังเลยนะบุญกระถิ่นบุญผ้าป่าทํากันอย่างจริงจังเลยนะไม่ได้ประโยชน์แต่ถูกใจคนก็เป็นกรารมสุขาลีการ น, นิยโและก็อัตตะกิรมัทา น, ยนิยโในอันเดียวกันอันแรกกรารมสุขาลิการ น, นิยโพอใจที่จะทําทําเสร็จแล้วเป็นอันตตกิรมัธานิยโลําบากปล่า เห็นไหมล่ะมันอยู่แค่นี้นะมันไม่ได้อยู่ไกลนะทางสุดตรงเนะี่ยที่พงบอกให้เว้นเนี่ยทางสุดตรงสองทางที่ไม่ควรเสพไม่ควรพบตีคิดว่านั่งนอนบนน้ำัไม่ใช่อันนั้นมันไกลตัวไปใี่นั่งนอนบนน้ำ ห ม, หมดจริงๆแล้วมั้านี้หมดแล้วนะก็พ <c oughs> อสมควรแก่เวลาเท่านี้ในวันนี้ในการไลฟ์สดข อ, อวความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายที่รับชมรับฟังขอให้เข้าถึงความสุขความเจริญกันทุกคนทุกคนเท่าสา้น